อาการสามที่สองแปลอิมาสามิงกาเยเกสาคือผมอย่าได้ชื่นชมว่าผมโซโภาทั้งเก้าล้านเส้นย่อมเป็นอนัตตาขันแก่ชรากรับข้าวหน้าชังโลมาคือโคนงอกถั่วตัวตนก็เป็นอนิจจังได้เก้าโคเส้น ล้วนเป็นอสุพังหน้าเกลียดหน้าชังอย่าชมว่าดีหน้าขาคือเล็บถอดหักมันเจ็บว่าเล็บกระลีทั้งยี่สิบทัศวิบัตอิอับปีแก่นซานไม่มีวิปริตสาทานทันตาคือฟันสามสิบสองอันใช่แก่นใช่ซานกลอนคลุกงุกงนันหลุดหักสาทาน ไม่ตั้งอยู่นานควรแต่อานิจจังตะโจคือหนังเปื่อยเน่าพองพังทั่วทั้งกายาถ้าจะม้วนเข้าเท่าโรกพุทธาคนอันตะภาลานับถือว่าดีมังสังว่าเนื้อเปื่อยเน่าบ่มีเหลือทั้งเส้นเกศีทั้งก้าวร้อยชิ้นในกายอินทรีย์ตายแล้วเป็นพีรังเกียรต เกลียดอา ย, อายนะเกลียดอายนะหารูนะหารูว่าเอ็นเก้าร้อยทมเข้นเมื่อยขบสารพางลุกโอยนั่งโอยรันจวนครวนคลางให้โทษทุกอย่างอย่าถือว่าดีอัติกระดูกเส้นรัดมันผูกสามร้อยท่อนมีล้วนเป็นอนัตตาอย่าชมว่าดี แก่นสารไม่มีเครื่องทมแผ่นดินหาปัญญาไม่รักใครอาจินที่จะเพิ่มภูน ด, ดินบ่อมิได้คิดถึงอวิชาหุ้มหอ่อผูกรัดมัดรึงหลงรักตะบึงบ่อมิคลอยถอยหลังอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกเพลิงร้อนต้องถูกละลายไหลหลัง เม้นขืนเม้นเขียวหน้าเกลียดหน้าชังควรคิดอนิจจังทุกขังอนัตาวักกะว่ามามแต่ล้วนไม่งามโซคโรครกนักนาเครื่องเปื่อยเครื่องเนา่าทมแผ่นพะสุธาครั้นสิ้นชีวากาแร้งแย่งกินหะทะยังหัวใจมามปกคลุมไว้ในอกอาจินสินลมระบายสุนักขากากิน เครื่องเน่าทั้งสิ้นไม่เหลือสักอันยักกะนังว่าตับเป็นชิ้นประดับกับวางนมนั้นกำหนดโดยสีสีแดงแสงฉันเครื่องเน่าทั้งนั้นในกายอินทรีสีกิโลมะกังฟังผืดนั้นเล่าพระสันเพชรเจ้ากำหนดโดยสีเหมือนทุกุรัพที่ผ้าพอดี เก่าเก่าเศร้สาสีมิสู้งามตาเป็นเครื่องสาธานอาหารแรงกาควรคิดอนิจจาอย่าได้ละวางปิหกักกลงว่าพุงจงตั้งจิตมุง่งอย่าเฮินอย่าห่างเอาเป็นกรรมฐานอย่าได้ละวางพุงมีสีอย่างดอกคนดีซอ สันฐานพุงนั้นเหมือนสีโคม อ, อาไซอยู่ต่อที่ท้ายดวงใจปับภาสังว่าปอดเอาปัญญาสอดส่องลงภายในให้เห็นอนิจจงประจักแจ่มใสสีปอดนั้นไสแดงแดงซำรานสามสิบสองชิ้นติดกันสันฐานเหมือนขนมหวานตัดชิ้นเสี้ยวเลี้ยว อันตังไส้ใหญ่เป็นเสายาวเรียวเป็นขดลดเลี้ยวยี่สิบปดขดไสชายกําหนดสามสิบสองซอกว่ายืดยาวออกกว่าไสสตรีไสหญิงสั้นกว่าสี่ซอกโดยมีกําหนดโดยสีเหมือนฉาปูนขาวเบื้องบนนั้นยาวตลอดลําคอเบื้องต่ํานั้นต่อทวารเบื้องใต้อันตะคุณนางไส้น้อยกําหนด รัดขดไส้ใหญ่บางทีรัดไว้บางทีโยนยานอุดริยังอาหารใหม่เข้าอยู่ในไส้เหมือนไทเข้าวสารกะรีสังอาหารเก่าลงตามทวารเหม็นพ้นประมาณรังเกียจเกลียดเกลียดชังปิดตังว่าดีเขียวเขียวโดยสีดีมีสองอย่างอย่างหนึ่งดีฝัก ซึมทราบสารพางดีทั้งสองอย่างอาสุจิอาสุพังเต็มหังเสลดคนเป็นไข้ไหลล้นหน้าเกลียดหน้าชังท่านผู้บัณดิตควรคิดอนิจจังเสลดนี้ปิดบังอยู่บนอาหารปุบโบว่าน้องเกิดแต่ผู้พองเปื่อยเน่าทุกประการโลหิตโลหิตตังคือเลือดเล้วไหลสาบสาร ทวกายาทวานสีแดงดังชาติเลือดคนนั้นใสพอได้เต็มบาทเป็นอาโปธาติขังอยู่ในท้องทับท่วมหัวใจตับไต ท, ทั้งพองพึงระลึกตึกตรองให้เห็นอนัตตาเสโทคือเหงือสาบอยู่ในเนื้อทั่วทั้งสรลีรา ต้องร้อนไร้หลังเทพังออกมาโสมถั่วกายาหน้าเกลียดหน้าอายมีโทมันคนสาบอยู่ในตนถั่วทางสารพางสีเหมือนขมิน้นเหลืองอ่อนจางจางเหม็นสาบเหม็นสางโสโครกนักนะอาอสุน้ำเนธโทมนัดเป็นเหตุไรลหลังออกมาจากคลองจากสุทั้งสองซ้ายขวา เป็นท่อทาราโยดย้อยฟูมฟองวะสามันเล้วต้องร้อนไหลนองปลงสติตรตรองให้เห็นอนตาเคโลน้ำลายที่เล้วอยู่ปลายประเทศชิวหาคนอยู่คนอยู่ปลายลิ้นไหลออกอัตราเร่งคิดอนิจจาย่าลงว่าดีสิงคานิกาน้ำมูกออกช่องจมูกเห็นหนะ้าบาศซี บางรังบางไหลมิใช่พอดีโซโรครกเต็มที่ที่เกลียดที่อายลาศีกาไขข้ออยู่ที่ข้อต่อกระดูกร่างกายเหมือนไขทาพลาแห่งเกวียนทั้งร้ายอย่าได้มั่นไมายว่าเป็นของดีเร่งคิดสังเวจิตตั้งสังเกตถึงกายอินทรีย์ปัญญาสองมองตามคลองวิถี โดยพระบาลีว่าไว้ในสูตรมุตตังมูดเนา่าคืออาหารเก่าแบ่งออกเป็นคูดยิ่งเก่ายิ่งเม็นยิ่งเนา่ายิ่งบูด ร, รู้ว่าเป็นมูดแส้งขนพองมัถเกมัทหลุงคังเหยื่อในศีรษะคือแป้งสัมปัน่นอยู่ในสมองต้องร้อนเหมื่อไรัยเล้วไหลออกนองอย่าได้คิดปองว่าเป็นแก่นซาน เมื่อน้อยเมื่อนุมหน้าช้ำชื่นชุ่มเห็นงามตระการครันถึงเท่าแก่ปลนแปรสาทานชั่วถอยทุกสถ า, านเห็นหน้าบาดสีฟันหักแก้มตอบหน้าตาวาววอกเรี่ยวแรงไม่มีตามืดหูหนักอัปลักอัปรีไม่งามไม่ดีสักสิ่งสักอันเนื้อหนังหูเหี่ยวเส้นขึ้นเป็นเกลียวดุดดังเท่าวัน ผมดำกองอกกลับกรอกทุกอันสิ้นทั้งตัวนั้นย่อมเป็นอานาตา